ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสาหรับวันนี้ก็คงมาพบกัมมันดาท่านพุทบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรตามเดิมเมื่อวันก่อนได้มาจบลงตอนที่พ น, นางมันสีกลับเที่ยวติดตามหาลูกทั้งสองไม่พบในสุดพ น, นางก็เสียประทไทย ถึงขัง้นเก่าสลบลงไปในวันนี้ก็จะขอต่อเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดร น, นี้มันดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ฟังกันอยู่เสมอหวังว่าคงสันทัพในเรื่องราวนี้ดีเป็นนั้นว่าในตอนนั้นพระเวสสันดรได้ทรงเห็นพันนามซีสลบลงไปก็ตกใจ ตกใจถึงกับพระองค์มีกายสันริก ร, ริกตกใจมากก็ไม่เรื่องธรรมดาคือว่าพระองค์คิดไม่ถึงความจริงที่พูดอย่างนั้นก็ต้องกา ร, รีห้บรรนามสัสสีไม่มีอันตรายที่ขนาดนี้โดยข้าว่าไทยว่าถ้าพูดกับพรรนางดีๆบรนามัามสีอาจจะเสียใจ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะมีความรักลูกมากต้าวาการที่พูดอย่างนั้นให้เพื่อให้ ม, น, น, มน้ามันสีนี้มีความโกรธขึ้นมาความโกรธยังมมีกำลังกล้าสามารถจะตัดความเสียใจออกไปได้แต่ว่าความหิงเข้าเวทสันดรตอนนี้พลาดไปบรรดาท่านพุทธบริษัท อาศัยที่เปนนามัตซียังเหนื่อยด้วยไม่ได้มีการพักผ่อนตลอดวันตอนกลางคืนหลังจากฝันแล้วก็ไม่หลับจิตใจก็มีความห่วงสงกรมมานอยู่ตลอดเวลาขั้นมาได้รับสดับพระราชสวามีตระคำปริภากอย่างนี้หาว่าไปมีชู้สู่ชายกับคนในป่า เอก็หมายความว่าทั้งกล่าวว่าอาจจะเป็นชู้กับคนทางก็ได้คนป่าก็ได้ที่ไหนก็ได้ในที่สุดเพระ น, นามาสีก็เสียใจเสียลูกแล้วยังมาต้องเสียกําลังใจเพราะพระราชสวามีไม่ไว้วางใจแถมทั้งความเหนื่อยประดังเข้ามาอาหารไม่ได้บริโภคในที่สุดก็หมดกําลัง ต้องสลบไปตอนนี้พระเวสสันดรได้ตัดว่าโอ้ไม่ว่าศีเพื่อนรักเจ้ามาตายลงในขณะที่มีความลำบากเป็นเวลาที่ไม่สมควรแล้วพี่จะทำยังไงกันนี้นี่รำพึงในใจแล้วกล่าวมาด้วยคิดเสียใจที่บรรนางมสีต้องมาตายในป่า เมื่อคิดย่านี้แล้วยงได้เสด็กลุกจากอาสนะ <c oughs> ปลายเข้าไปประคองพัา น, นามาสี่ไว้ทรงสัมผัสที่สวงจับที่อกดูก็ทรงรู้ว่ายังไม่ตายยังนี่วางแล้วก็รีบเอาน้ำมาประปรบพรมให้เพื่อต้องการความสดชื่นแล้วก็ประคองเสียบพัา น, นางวางไว้บนตัก แล้วก็ส่งรูปพระพักทั้งทั่ววรกายพอสิ้นสติข้านางสิ้นสติไปถึงครู่ใหญ่ก็กลับฟื้นขึ้นมาได้พอรู้สิพระองค์ก็ดีนะหมายความพอรู้สิพระองค์ดีก็รีบลุกมาถวายบางงังโคมทูลว่าพระทูลกำหม่อมแก้ว ข้าพระพุทธเจ้าอยาจะทราบว่าลูกรักทั้งสองของเราหายไปไหนพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวสสันดรจึงได้ตัดว่าดูก่อนมาสี่น้องรักลูกรักทั้งสองนั่นพี่ได้ให้ทานเยบการาชมโชคไปแล้วขอพระน้องนางจะหักใจทำความยินดีในการให้ทานลูกกับพี่เถิด เพราะว่าเจตนาของพี่นี้ไม่รู้ว่าแม้จะเราจะมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้พบพรามชูชกและลูกทั้งสองของเราอีกเป็นแน่ขอน้องอยู่ยาวเช่าโศกเสียใจไปเลยขึ้นชื่อว่าสัตว์ปรุษเมื่อเห็นประโยชน์สูงสุดก็ควรอ่าเสียสละแม้แต่ดวงหันไทยเขาทนเองก็สามารถจะให้ได้ <c oughs> พี่เองมีความปรารถนาพระโพธิญาณในภายหน้าจึงได้ให้ลูกรักเป็นฐานคอน้องนางย่อมมีส่วนในการนี้เสียสละครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นแม่พี่เป็นพ่อลูกทั้งสองในถี่นกำนดกำเนิดจากการร่วมของเราทั้งสองคนฉะนั้นขอน้องยังทำใจให้เบิกบานโมทนาในการบริจาคทางคั้างใหญ่กับพี่ครั้งนี้ได้เถิ เรื่องพระเวสสันดรในญาติโยมพุทธบริษัทฟังเสียงแต่มาแล้วรู้สึกวา่าจะแปลกไปในตอนสิตอนก่อนโน้นกํลาลังเป็นไข้หนักเวลานี้ก็กําลังเป็นวัดนะฮว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นเสียงแปลกไปก็โปรดทราบว่าการบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์กับบรรดาแทนพุทธบริษัท ถึงแม้ว่าจะป่วยไข้ไม่ส บ, บายก็พร้อมที่จะทำการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่ออวดทำเพื่อเป็นการต้องการสนองความดีของมรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโภติต์นีญาติโยมพุทธบริษัทก็ทราบกันดีแต่แ ว, ว่าบางตอน ในบางตอนอาจจะยังไม่ทราบบางก็ได้เพราะว่าจะต้องหามาจากหนังสือเล่มอื่นและเวลาหานังสือมันก็ไม่มีต้องหามาจากใจที่จำเรื่องนี้ได้เพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักเทศขอเล่ากันต่อไปว่าวรานางวาสีที่สรประดับดังนั้นแล้วก็ไอความอัดอั้นตันพระไทยก็คลายลง พอรูวร้วา่าพระเวสสันดรนให้เป็นทานนี่เราก็รูร้สึกวา่าท่านจะไม่หนักใจมากนักทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วที่แรกก็ไม่สาบเพื่ดีเวดีเสืออาจจะไปกินคนอาจจะไปฆ่าตายก็ไดา้าดา เมื่อฟังเท้าเวสันดร์ตรตามความเป็นจริงพันนางนพันางก็คลายความอัดอั้นตันใจลงเมื่อทรงระลึกถึงผลประโยชน์ที่สามีจะพึงตาดธนาและก็เห็นว่าพัญญานี่คือนจะส่งเสริมในความจริงใจจึงได้กลับพระไทยให้เป็นปกติและก็ค่อยค่อยยินดีอนุโมทนาตอนนี้ฉันบอกว่า ตอนนี้ท่านบอกว่าค่อยๆ ย, ยินดีอนุโมทนานี่สแสดงว่าน้ำประทยคุมนามาสีนี้ยังห่วงลูกรักทั้งสองอยู่แต่ด้วว่าเมื่อต้องการจะให้โมทนาก็พร้อมที่จะโมทนาความโกรธความจริงถ้ามันจโกรธความเสียใจคลายลงแต่มันยังไม่หมดอดจจคิดถึงลูกรักทั้งสองไม่ได้ ยิงได้ทรงตรัสว่าจากแกมค่อนขอดไปว่าโอหนอหน่าสัจจ์ทรงสามารถตัดใจยกปิยบรสดที่รักให้เป็นท่าของพรามไปนี่ก็สามารถจะทำได้เลยเจ้าค่ะ เ, เวส้นดอนยิ่ได้ทรงตรัสว่าน้องรักนี่ทำไมยิงได้พูดอย่างนั้นละ่ะน้องมัตสี ถ้าหากว่าพี่ไม่ยกให้ความได้ให้ด้วยความเสียสละจริงแล้วเหตุอัศจรรย์ก็ไม่บังเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับพนินไหวเสถียร์ก็ไปถึงพมลโลกให้พ น, นางมาสีฟังพ น, นางฟังแล้วก็ค่อยๆแจมแจ้งในความรู้สึกในใจใครความโศกอะไรเสียสิน้น แล้วก็ตรงโมทนาคมหาบริจาคทานของพระราชสวามีได้ความจริงใจเป็นอ น, นว่าในตอนก่อนก็โมทนาวยการใบชดว่าก็ ง, ง่ายๆเพราะใจยังผูกพันอยู่ในลูกทั้งสองเพราะทราบว่าที่สามีทำแบบนี้ก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ <c oughs> ไม่ไดีหวังชื่อเสียงลาภยศแต่รายการใดตั้งใจอย่างเดียวคือเมื่อได้บรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณแล้วนอพระบรมมังพ์โธิสัตว์ก็มีใจแกล้วจะได้สงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์อยู่ในโลกให้มีความสุขโดยไม่จำกัดบุคคลเจนนน่ามนพนนามัสี จิงได้ทรงยินดีในเรื่องนี้แต่ความจริงท่านก็นยินดีมาตลอดแต่ตอนนี้มันหนักพูดเพลินไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัทยังไม่หมดเวลาแต่วังเอิญไปจบกันมาสี่สัดี <c oughs> ตอนนี้ก็มาการที่สิบการที่สิบนี่เราสักกะบัตสส ก, กะนี่หมายถึงพระอินทร์ เป็นนั้นว่ากันศึกษาแบนี้เรื่องราวของท่านว่ายอย่างไงฟังของท่านต่อไปติงกล่าวว่าเมื่อการศึกษ์ทั้งสองมีพระราจาย์ไทยชื่นสมสมานัดหมายกว่าชื่นชมสมานัยินดีในการให้ทานร่วมกันเป็นนั้นดีอย่างนั้นแล้วเป็นนั้นว่าทิพยพระอายของท้าวสกตะเทวราช ที่พระอาทและก็ได้แก่บรรดุกพนศรีอาดตามปกตินิ่มเหมือนกับนั่งอยู่ที่เบาะละสัมลีเเตียงสปริงเตียง <c oughs> สปริงอ่อนๆแต่คราวนี้แข็งกระด้างขึ้นมาจึงได้พิจารณาว่าอะไรหนอที่เป็นเหตุอย่างนี้ในหมายความว่าคนดีที่มีความดี ความดีคนดีก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีความดีเว่าะบุญแปลว่าดี แ, แต่คนดีมีเหตุอันตรายจะพึงมีขึ้นในเหตุร้ายจะพึงมีเรียกว่าจะมีเหตุร้ายทําให้ใจลําบาก ท, ทำให้กายลาบากแก้ไขไม่ได้ที่พระหันคนเท้าศาสนาใหม่คือพระอินทร์ ที่เคยอ่อนก็แข็งกันด้างเหมือนศิลาจิงได้ทรงดำดิว่าดิมาเรื่องอะไรแล้วเท้าสหัสไนจอมเทวาจิงได้ทรงดำดิว่าต่อ น, นี้ไปอาจจะมีใครที่มีน้ำใจชั่วช้าเข้าไปหาเท้าถือคือว่าเวชนนทรแล้วก็ทุนของพนามาสีไปเป็นเนื้อแท้จริงๆ ถ้าเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าคนที่จะเกิดเป็นนอพระบรมมคงโพธิสัตว์แล้วก็จะได้บรรลุอวิเศษส ม, มาสัมโพธิญาณเ็ <c oughs> ื่อจะต้องให้บทเป็นทานพัญญาเป็นทานอานิี้สองอันนี้จริงจะประเเสริฐเลิศพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปนณาดได้แล้วก็สำหรับพระเวสสันดร น, นี้ ก็มาจากชั้นโดสิตเราเองเป็นคนชุดเชิญให้พระองค์ไปเกิดเมื่อพระองค์ไปเกิดเพื่อปรารถนาพระโพธิยาณจะม า, ามเป็นเวลมีให้เต็มที่แต่ว่าคราวนี้พระองค์จะต้องลำบากมากถ้าหาว่ามีใครมาของพระนามาสี่ไป แต่ก็แน่ได้เกินว่าถ้าใครมาขอมาไรพระองค์จะต้องพระยาทานให้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเหตุสําคัญมันก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าพระเวทันดรจะถูกทอดทิ้งในป่าแต่องเดียวในราการแห่งพนามัสีนี้ก็เป็นคู่บุญบรมีของของพระเวทันดรตลอดมาพรนามัสีอย่างสาวพนามสีอย่างสวย การนี้เขาจะขอไปเป็นคนรับใช้อย่างเดียวย่อมไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่ต้องการคือก็ต้องการจะไปร่วมรักเป็นสามีพัญญาก็เนามสศีบำเพ็ญบารมีร่วมกับนพระเวสสันดรมาเป็นอย่างดียิ่งยอดหญิงประเภทนี้ก็ไม่ควรจะร่วมรักกับคนที่ไม่มีความดีสม่ำเสมอพระเวสสันดร เป็นอนุวาพระอิน์ก็ตัดสินใจรานนอจกนี้ใช่และไอป่านี้มันก็เป็นป่าใหญ่เพื่อว่านามาสีถูกขอไปก็ไม่มีใครเยะปฏิบัติเหตุสาเร็จการนี้จะทําไม่นอพระบรมพงษ์โพธิสัตว์มีความนบายากที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณให้ราบรื่นไปได้ฉะนั้นจีนสโรนตัดสินประไทย ว่าเราควรจะแปลงเพศไปเป็นพราหมณ์ข้าไปทูลขอไว้สิก่อนแล้วก็ถาวายคืนนี้แต่เท้าถือไว้เป็นการทำอานัตคือสัญญาและข้อบังคับตัดรุ้นทางที่บุคคลอื่นจะมาขอสิก่อนเมื่อทรงนำริดัง น, นี้แล้วจอม บ, บพิตรอร พอเวลาวลาตีสว่างแจ้งก็ทรงแปลงเพศเป็นพระไปปรากฏอยู่ในสำนักของมเวสสันดรนทันทีหลังยน่ได้กล่าบสมโภชนียกถาต้อนรับตามกันอัตยาใสาแล้วท้าวเสกี่ไน้ทูลว่ า, ข, า, าข้าแต่พระองค์ผู้ประสศทธ ข้าพเจ้าเป็นคนแก่ที่มาที่นี่ก็ไปทูลขอพระนามัสสีมเหสีของพระองค์ข้าพเจ้านี้มีความเชื่อเรื้อรันว่าพ่วงน้ําใหญ่ย่อมไม่ขาดแห้งแหล่งน้ํำลงชั้นใดน้ำพรไทยของพระองค์ก็คงจะเป็นเช่นนั้นขอพระองค์นี้ทรงโปรดยกพระนางมัสสี ผู้มีสิริสมเลิศนารีแก่ข้าพระเจ้าเถิดสำหรับพระเวสสันดรไม่ทรงสนดับดังนั้นแล้วจะได้กล่าวว่าพรหามณมา ด, ดูก่อนพรามเรานั้ยินดีไม่ได้มีความหวัดหวันอย่างใดเลยในงการบริจาคทานอเอาเถิดท่านพรามเราขอ ม, มอบให้แก่ท่านด้วยความเต็มใจ แลวมาแตดแล้วก็ทรงหยิบพระคนโทน้ำหลั่งลงไปเหนือมือพระามเพื่อเป็นการสแสดงว่าได้ยกขักพระนางมัตสีให้แล้วท่านที่นี้กล่าวว่าท่านพรามเอ๋ยในโลกนี้ก็มีอยู่เสียงเดียวเท่านั้นที่เรารักและปรารถนาอย่างยิ่งก็คือว่ามัตสีสิ่งนั้นก็คือ นี่ที่เรารักอยู่อย่างมากจริงๆก็คือพ น, นามสัสีแต่สิ่งที่เรารักยิ่งไปกว่าพ น, นามสัสยิดหรือบคุคคลใดๆอื่นใด้ทั้งหมดเป็นความรักยิ่งกว่าชีวิตเราของเรานั้นสิ่งนั้นก็คือพระศพพุา ย, ยานอันเป็นคุณธรรมวิเสสุด <c oughs> การนิเสียสละบุไปเมื่อวานนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเกลียดจะชังบทกวีหาไม่ได้บุทนาธิดาเรามีความรักเหมือนดวงใจแต่ได้ว่าถ้าบทนาธิดาจะเป็นปัจจัยแห่งพระโพธิญาณเราก็ต้องการ พ, พาระโพธิญาณจึงได้ให้บทนาธิดาของเราทั้งสองนั้นไปแต่พรามสำหรับวันนี้ท่านมาขอมาสี มัสีินี้จะชี้ที่ว่าเราไม่รักไม่ได้เพราะมัสีิเป็นคนดีมากยามที่เรามีความทุกข์ความยากมัสีก็ไม่ทอดทิง้งจะหายอดหญิงที่มีความดีเยี่ยงพระนางมัสยนี่ก็หายากแต่แน่ว่าก็ไม่ใช่เราจะสิ้นสากในการที่ในการบริจาคทาน <c oughs> ถึงแม้ว่าจะรักนางเพียงใดก็ตามทีแต่ว่าเราก็เห็นว่าพระสมมาสัมพุทธญาณ น, นี้มีความยิ่งใหญ่กว่าจึงได้กล้าเสียสละบริจาคของรักตัวชีวิตทั้งสามและทั้งสองประการนี้ได้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจดีเมื่อทรงตัดนี้แล้วก็ทรงพิสูจนระพักของพ น, นางวัดศีว่า จะมีอาการปกติอย่างไรด้่บ้างฝ่ายผู้ น, นา่งก็ทรงทราบในอธัธยาศัยชนิทูนว่าเช่นไหนในทรงเพ่งค่าพระบาทอยานนั้นพระเจ้าค่ะอันพรมฉันนี้เป็นสิทธิของพระองค์ผู้เป็นสามีทุกอย่างเมื่อจะปรารถนาแยขายก็ขายได้แะก้่าก็ข่าได้ตามใจปรารถนา ขอจุญญาได้ระแวงพระไทยอย่างใดเลยพะเ้าค่ะตอนนี้ตอนท้องเรื่องพระเวสสันดรก็ไม่จะพูดกันปบบเพียงเนื้อเนื้อเพราะว่าไม่ค่อยมีคำธิมายนักแต่บางตอนก็รู้สึกว่าจะไปเคาะเอาใจของไครเข้าบางมาตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอีตอนนี้เคาะนิดหนึ่ขอเคาะหน่อยเนี่ย ว่าท่านที่เคยได้ฟังพระบางท่านบอกว่าทิวรรดาไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มีมแต่ว่าตอนนี้ท่านก็นมาฟังเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องชาดกนี้เขาถือว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดเองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเวลานี้พระองค์ตรับในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าหากว่าจะมาพูดกันตอนที่เป็นหนอพระบรมประพงศ์โพดิศัตย์ก็จะถือว่าองค์สมเด็จประทรงส์สวัตีโสภาคนี้เป็นปุถุชนคนนิ่หนานแน่นไว้ด้วยกิเลสมาพูดถึงเทวาดาด้วยพร ม, มันอาจจะเฟลอไปก็ได้อาจจะเลอะเลือนเกินความเป็นจริงไปก็ได้ แต่เวลาที่ตัดนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัจสันดาคเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่นก็ทรงตรัสที่กรุงกระบินลพัฒม์มหานครในสมัยที่ไปโปรดจอมบอกพิธิสอนพรอพระเจ้าสุโธทนะมหาราชและก็หมู่พระปริญ า, าตนเป็นอันว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันจอมเทวดาคเคยพยิอินท ว่าพระอินทร์ที่เป็นเทวดาใหญ่ก็เทวดาทั้งหมดน่้นมีจริงท่านั้นฐานะท่านเป็นเทวราชาเป็นราชาของเทวดาทั้งหมดและก็ทําไมละ่ะเทวดาที่มียศเล็กกว่าพระองค์จะไม่มีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตอนนี้แล้วก็อย่าสงสัยต่อไปเลย ที่ว่ามีพระบางองค์เทศว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนะเพิ่งทราบว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีปฏิบัติทาแตกต่างกันโยตีอย่างคือหนึ่งสุขวิปสัสสโกสองเทวิโชสามฉลพินโยสี่บริสัมบิัาปตโต เรียว่าสุขาวิปัสสโกนี่เป็นนักปฏิบัติเชื่อทรงศีลทรงธรรมเหมือนกับคนหลับตาด้วยแล้วก็ผ้าดำผกตาด้วยเดินเข้าไปในถ้รมืดด้วยสามารถจะเดินถูกทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือสำเร็จอารหัตตผลได้แต่ว่าความรู้พิเศษใหนใดในเรื่องการเห็นผีเห็นเทวดาอันนี้ไม่มี เพราะไม่มีความรู้ประเภทนี้เลย <c oughs> ส่วนอีกสามลำดับคือเตวิโชชละพินโยปฏิสัมิทัปโตเตวิโชนี่มีดวใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นวิบรรดาเห็นพรมเห็นสัต์นรกเห็นเปรตเห็นสุริกายทุกอย่างได้ทั้งหมดเห็นได้แล้วก็คุยกันได้ สำหรับฉลักิงโยนนอกจากเห็นแล้วมีฤทธ์เหาะเหินเหนืออากาศได้ในรมิตรายต่างๆได้สำหรับปฎิสัมยทัพวิทัพประตูมีความสามารถท่ากาติวิโชกฉลักพิงโยบวกกันแล้วเพิ่มด้วยความฉลาดยิ่งกว่านั้นมีความฉลาดเปลื่องปราดมากเป็นอันว่าคนที่เขามีความฉลาดอย่าง ก, กั น, นักปราช ของบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นดีก็มีความฉลาดจริงถ้าใครไปถามอะไรของเขาในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขายังไม่สามารถจะค้นคว้าได้เขาก็ไม่ปฏิเสธเขามม่จะเต่ว่าสิ่งนี้อย่างคนไม่คบแต่ถ้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ใหญ่ใหญ่ที่มีความเก่งกล้า เขายืนยันพระพุทธศาสนาว่าเป็นพุทธศาสนานี่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเข้ากันได้กับทุกสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้รวมความว่าเข้ากับ น, นักวิทยาศาสตร์ได้เวลานี้ก็มีด็อกเตอร์ในฝ่ายวิทยาศาสตร์ของไทยมีความคนนี้รู้สึกมีความสามารถมากท่านไปเจริญพระธรรมฐานกับ ถ้าอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านได้มนโนวิธิมีฤทธางใจท่านก็ยืนยันว่าเรื่องความเป็นไปของพุทธศาสนาที่กล่าวว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานนีเรื่องจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพระฝึกใหท่านได้ และท่านก็ตั้งใจเวลานี้กำลังฝึกฝนคนของท่านและท่านตั้งใจว่าจะเอาความรู้นี้ไปแนะนำกันนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่คงจะเป็นพวกเพื่อนที่เรียนมาร่วมร่วมกันให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนานี่นักวิทยาศาสตร์จริงๆที่เป็นขั้นด็อกเตอร์ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ นี่ข้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจึงเข้าใจว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ขอที่โปรดจงยาคิดว่าจะมีความสามารถเท่ากันในความสามารถที่จะตักกิเลสที่เป็นสมุทเทตระหันสามารถจะเท่ากันได้คือทั้งสีร่ราการที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นพระโสดาบันเหมือนกันได้จะเป็นทพระสีทาคา ม, มีเหมือนกันก็ได้ จะเป็นพระ อ, อนาคามีเหมือนกันก็ได้จะเป็นอรหันต์เหมือนกันก็ได้แต่ว่าเป็นเหมือนกันในขั้นตกิเลสแต่ความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันฉะนั้นขอารเจาญาติโยมพระธบริสัตทุกท่านที่ฟังมาอย่างนั้นแล้วจงอย่าเสียเทียนใจโปรดเข้าใจว่าพระที่ดึงกล่าวอย่างนั้นท่านอาจจะปฏิบัติมาในขั้นสายสุขาวิปัสสโก แต่ว่าเราหน่าคิดอยู่นิดหนึ่งว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนนั้นไม่สําคัญส่วนที่มีความสําคัญจ ร, จริงๆว่าทําไมท่านตั้งใจคัดค้านคําสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าการคัดค้านคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้พระพุทธเจา้าทรงตัดเป็นว่าเป็นเบียรถ์ถีคือไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นสาวกของพระองค์ ก็เปนน็นว่าถ้าผู้นั้นถึงจุดนี้ก็เปนน็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทําลายความดีของพระพุทธศาสนาและก็แยกตนออกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาคือครูสอนตนทั้งนี้เพื่อรายงานว่าเขายังมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพุทบรมศาสนาแล้ว เขาคงไม่โจมตีองค์สมเด็จพระบาทีแกวว่าเทวดาไม่มีพรมไม่มีโลกหน้าไม่มีท่านนี้เพ่อะหญ่รก็ว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงยืนยันแม้ในเรื่องรา ว, วพระเวทฉันดี่บรรดายาดโยมพระตบริษัททุกท่านกำลังฟังอยู่อันนี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่าไม่ีจริงเวลานี้กพ็พูผ่ทงเรื่องเทวดาคือพยิง และเทวันดาคือพรอินอองค์นี้ก็เป็นคนอาทูนเชิญสมเด็ดจเปิฌาสีให้มาเกิดและติดตามสรงเคราะห์ด้วยการท้งพงกอรันดาญาตโยมพุทธบริษัทวันนี้ถ้าหากบังเอิญจะไปกระทบใจใครเขาบ้าง <c oughs> ก็ต้องขออภยัย <c oughs> แต่ ว, ว่าก็ตองถือว่ามันเป็นสิ่งที่เว้นกันไม่ได้เพื่อความเข้าใจของมัณดาท่านพุทธบริษัท การพูดนี่ไม่มีเจตนานเหน็บแนมใครแต่ว่าใครจะไปสะเทือนใจก็ต้องขออภัยด้วยมองดูเวลาท่านหลายหมดเวลาเสีแล้วก็ต้องขอลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี